بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ع ق ب ة للمتقين ولا عضوان إلا الرقودين وأصلي وأسلم على شرف ا ل ل و ل ي ن والاخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بحسان اليوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدر سمخن نغبطي روح تغطروس ตรวสอบตัวเราเองในตัวเรานี่มีอะไรมีอะไรดีในตัวเราเนี่ยแต่คนเนี่ยมีอะไรดีในสายตาของอัลลอฮ سبحانه และก็ตาที่จะทำให้เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อัลลอฮพอพระทัยได้ เราอยู่ในสภาพเราอยู่ในทรงที่ควรเป็นชาวสวรรค์หรือไม่ภารกิจนี้อาจจะต้องใช้ทั้งชีวิตนะชั่วชีวิตเนี่ยหาคำตอบให้กับตัวเองได้มันจะลดทิฐิ และคติที่เราจะมองคนอื่นด้วยมาตรฐานที่บางเอิญเข้มงวดกว่าที่มาตรฐานเราใช้กับตัวเองหมายถึงว่าในการที่จะให้คะแนนว่าเป็นคนดีไม่ใช่คนดีเราจะมองคนอื่นแล้วก็ให้คะแนนเขาว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยบางทีเราใช้คะแนนเข้มงวดมาก กว่าจะยอมรับว่าคนอื่นนั้นเป็นคนดีหรือไม่คนดีในสายตาของเรานะทั้งนั้นที่มาตรฐานนี้บางทีเราก็อาจจะไม่ได้ใช้กับตัวเองก็ได้และบางทีนี่มองตัวเรานี่ยมองคนอื่นนะโดยที่ไม่ได้คำนึงเลยว่ า, าแล้วก็อเลาะน่ะมองเราอย่างไรตกลงที่เราใช้มาตรฐานตรวจสอบตัวเองตรวจสอบคนอื่นเนี่ย เราอาศัยมุมมองของเราหรือมุมมองของ Allah ซ <c oughs> ึ่งมาตรฐานเนี้ยห่ายถึงว่าเลาจะมองใครว่าเขาเป็นคนดีของ Allah เนี่ยอันนี้คือมาตรฐานที่เราต้องยึดคนดีของ Allah س ب ح ا ن ดาละเนี่ย มันไม่ใช่มโนภาพที่เราได้ฝากไว้กับสมองเราตั้งมีมีมทรงทรงหนึ่งเนี่ยคนดีผู้ศรัทธาคนดีต้องเป็นแบบนี้ถำใม้เป็นแบบนี้เนี่ยก็ไรเลยับางคนบางคนคนดีจะต้องต้องใส่โต๊ดโต๊บ ต, ต้องสั้นด้วยต้องไว้ครา ต้องพบไม้สิวักด้วยนะต้อต้อ ง, ต, องต้องมีต้องพบสารบันบางคนก็ไม่เงั้ยนะว่าโอเรื่องศรัทธานี่มันอยู่ในหัวใจแม้ว่าจะใส่กางเกงยีนจะจะแต่งตัวแฟชั่นแม้ว่าผู้หญิงจะไม่คุมผิวยาบนี่มันเรื่องอยู่ที่หัวใจไปดูที่หัวใจพอถามว่าแล้วในหัวใจนี่มันต้องมีอะไรอะ่ะจะได้ผ่านน่ะ อออาละไม่ต้องไม่ต้องไว้เขา้าไม่ต้องคุมอิยาไม่ต้องอะไรมันอยู่ที่หัวใจคนอื่นเนี่ยเขาจะมองเห็นนะ่ะหัวใจนี่เมียละคือบางทีเนี่ไปบอกเอ้ทําไมเองไม่ละมาดนะโอมับมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องละมาดมันอยู่ที่หัวใจแล้วแกอีเทมอีเทมันอยู่หัวใจเนี่ยคนอื่นเขาจะมองเห็นยังไงมันมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วเอเป็นเป็น เป็นกระแสดังมากในโซเชียลชาวลิเบียคนหนึ่งประสงค์ไปทำฮัตในทำมุยซาเตรียมตัวอะไรทุกอย่างนี่ซื้อตั๋วนี่ไปสนามบินชาไปสนามบินชาไปหน่อยนี่ชาไปส5้านาทีคือปิดประตูแล้วก็คือเรารวดของสายการบินนี่นะก่อนประตูปิดเนียสักครึ่งชั่วโมง45นาทีแล้วแต่แต่ละสายการบินนี่นะคือเขาจะปิดเคาน์เตอร์เลยนะขอให้มาก่อน ประตูเครื่องบินปิดเนี่ยครึ่งชั่วโมงเขาก็ไม่ให้ขึ้นไอหมอนี่มาก่อนประตูปิดเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณเนี้ยเครื่องบินยังอยู่นะเขาก็มาแล้วก็มาขอผมจะไปทำพันนี่จะจะทิ้งผมได้ไงเนี่ยเครื่องบินยังอยู่นะโอไม่ได้เป็นกฎใครเคยตกเครื่องไหมประมาณนี้ประมาณเนี้ยเครื่องบินยังอยู่นี่มีอยู่ตอนหน้าต่อจ่าคือว่าตกเครื่องได้ไงเครื่องบิยังอยู่เนี่ย แต่ก็เป็นกฎของเขาว่าเราจะไปว่าอะไรเขาไม่ได้เขาไปขอร้องเจ้าหน้าที่คนคนู้นก็ไม่มีใครหอเป็นกฎไม่เป็นไรผมรออยู่นี่แหละไม่ขึ้นไม่ผมยอรออยู่นี่แหละเราบังกลับไปเถอะกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวเทีเ่ยวพรุ่งนี้อีกเที่ยวหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ผมนี่มาถึงนี่แล้วมุสลิมส่วนมากเขาจะมีความเชื่อ ว, ว่า มาสนามบินแล้วแล้วก็ไม่ไม่ขึ้นเครื่องอะนะเป็นด่างไม่ดีอ่ะเป็นเป็นเป็นอะไรฟีลิ่งที่ไม่ดีเลยผมรออยู่นี่อะผมไม่ไปไหนปรากฏว่าเครื่องบินน่ะขึ้นอะเครื่องบิ น, ข, น, นะ ข, น, บนขึ้นไปแล้วนะ่ะมีปัญหาต้องลงต้องลงพอลงแล้วนี่เขาเขาเขาก็รู้น่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่เครื่องบินลงเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสขึ้น พอลงแล้วเนี่ยเาเอาเตียมตู้เลยเตียมต้เตียมหน้าที่ภาคว้นดินอนะ่ะเตรียมตู้เลยเตียมท้มได้เลยจ่ขึ้นละพอโทรหากับตันเนี่ยกับตันบอกว่าไม่ ai, ไม่เปิดกไม่เปิ ด, ไ ม, ป ด, ไ, มปดไม่เปิดประตูแต่ให้เจ้จหน้าที่เยก็โอ้ยท่านกับตันนี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอำนาจ ข, ของกับตันเป็นสิทธิของเขากับตันไม่ยอมเปิดประตู เขาขวุยวายไม่เปิดประตูได้ไงลงมาแล้วตั้งทีจะไม่เปิดได้ไงไปขอรอ้องคนนี่ผมกับตันไม่ยอมเก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ผมก็ไม่ไปผมนั่งรออยู่นี่แหละเครื่องบินก็ขึ้นเจอปัญหาอีกรอบหนึ่งไปไม่ได้นี่ต้องกลับมาอีกข่าวนี้แหละกับตั น, นปรากฏว่ายอมเปิดประตูทุกวันนี้ก็ทาง หมายถว่าทางสายกายังไม่ได้ออกแถลงการ์นะแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยเห็นกันทั้งสนามบินแล้วก็ถ่ายคลิปกันโอ้โหอยลงโซเชียลกันคนคือต่อหน้าต่อตาเหตุการณ์เนี้เขาลงกันิน <c oughs> แล้วก็พอไปดูไอ้คนที่เจ้าปัญหาเนี่ยที่มาช้าเนี่ยไอ้คนธรรมดา <c oughs> ไม่ใช่คนพวกสาบันไม่ใช่คนไว้เขา้าไม่สิคนแบบว่าโอ้ดูหน้าตามีนูนมีรศ ม, มีวรอร์รัมกคนธรรมดาธรรมดามากเลย แต่จากเหตุการณ์นี้เนี่ยคนในสนามเบนนเลืเ่มใสมากโอ้ขอดูอาให้ผมด้วยนะไปนะ้ำมนะันจะขอดูคือเขาเชื่อไอ้คนระดับนี้นะดูอาแรงแบบนี้เนี่ยโอ้ตรงตรงดูอาตงรงอุส่าหเป็คือกำลังบอกว่าอัลลอฮฺอาจจะมองคนอย่างหนึง่งแล้วเราเนี่ยอาจจะมองคนคนนั้นนะ่ะคนเดียวกันเนี่ยมองอีกอย่างอีกอย่างหนึง่ง ที่สำคัญเนี่ยโดยผิวเผินเนี่ยเราจะต้องมีอะไรบางอย่าง <c oughs> ที่ทำให้เรามีมาตรฐานใต่ตัวใช้กับตัวเราและคนอื่นนะให้พอดูออกว่านี่ทรงนี้แบบนี้แบบนี้น่าจะไปได้แบบนี้รองรับน่าจะน่าจะพอพระไทยได้แบบนี้น่าจะเข้าสวรรค์ได้เราต้องมีมาตรฐานตัวนี้ให้ได้ ในตัวเราเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องภายนอกเนี่ยที่ศาสนานตัวบทตัวบทนี่คำสั่งสอนที่มาจากอลลอที่จะชีน้นาว่าให้เรายึดลักษณะนี้เรื่องนี้วัตถุนี้เป็นมาตรฐานไม่มีตัวบทอะไรที่บอกว่าเรื่องภายนอกเนี่ยสถานะกัรเงินอำนาจหน้าตาสีผิว การแต่งกายรูปร่างทั้งหลายเนี่ยไม่มีหลักฐานว่าอันนี้มันเป็นตัวชี้วัดว่าคนนี้เป็นชาวสวรรค์หรือไม่ใช่ชาวสวรรค์เป็นคนนี้เป็นคนดีของ Allah หรือไม่ใช่คนดีของ a า l a h ไม่มีฉะนั้นเรื่องเรื่องนี้เราต้องพยายามต้องพยายามตัดนะเพราะบางทีเราเกิดในสังคมหรือในพื้นที่ที่มีค่านิยมสูงในเรื่องบางเรื่องกิจกาเนี้เกิดเกิดในครอบครัวที่เขาให้ความสำคัญมากในเรื่อง ในเรื่องการแต่งตัวบ้านเรานี่จะพูดถึงคนที่มีสถานะมีตังเยอะแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าดีๆของแบรนด์เนี่ยคือดูดุนดูเขาเอิงเราจะเรียกเขาว่าผู้ดีผู้ดีถามว่าแล้วก็คนที่ไม่เชิงนั้นนะจะเรียกว่าผู้อะไรผู้ร้ายผู้ร้ายปะ ก็ไม่ได้เรียกนะแต่การที่ให้ฉายากับเรื่องยี่นี้ในเรื่องแบบเนี้ยคนแต่งตัวแบบดูดีอะไรเงี้ยดูดูมั้ยดูดีเฮ้ยเขาแต่งตัวดูดีแต่ถ้าเขาแต่งตัวดูไม่ดีเหมือนที่ท่านนบีได้บอกว่ารูบะชาสอักรบะ ذي ติมไรนีเลวอักซัมอาลลอฮิละอบระ กี่มากน้อยกี่มากน้อยอาชาสะ่คนคนหนึ่งผมยุง่งคือผมไม่หวีไม่ทำทรงให้เรียบร้อยอะไรอักบรฝุนตลบฝุนตลบนี่ก็หมายถึงว่าเดินทางไกลสมัยโน้นนะเดินทางไกลแล้วก็โดนพายุฝุนไม่มีสถานะที่จะต้องไปอาบน้าไปแต่งตัวอะไรเนี่ยดีติมไรนี มีเสื้อผ้าเพียงสองชุดสองตัวเท่านั้นบางรายงานบอกว่ามาฟูอิลอับวาบคือไปข้อประตูไหนเนี่ยโดนไล่เลย <c oughs> อะไรไปไปไปไกลๆไปอาบน้ำแต่คนคนนี้นะเราอักษมาอัลลอฮิละบรร่าเขาขอดูอัลลอฮ์นี่ขาจะขอดูอาชนัลลอฮ์ข้าพระเจ้าสาบานด้วยพระนามของพระองค์ว่าพระองค์ จปลูดทําเรื่องนี้ให้ข้าพเจ้าให้ตอนนี้เลยนี่เขาจะขอคนแบบนี้นะนะเขาจะขอด้วยแบบนี้แล้วเวลาเขาขอด้วยแบบนี้นี่นะอัลลอฮฺะจะตอบรับหรือเขาไม่ได้ขอแม่ไม่มาร้องขอนะไม่ไมาสาบานอัลลอฮฺข้าพเจ้าสาบานว่าพระองค์นี้จะให้ข้าพเจ้าให้เรื่องนี้ซึ่งคนที่ถึงขั้นดีดใช้สํานวนสาบานกับอัลลอฮฺสุบฮานาอฺล้วคือจะต้องมีความสนิทสนุม กับอัลลอฮ์ขนาดหนนี่เป็นหะดิษบทนึงเนี่ยที่ให้ร่วมันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องภายนอกนะไม่ได้เป็นเงื่อนไขภายนอกเนี่ยไม่ได้เป็นเงื่อนไขแต่นี่เราเรียนรู้เรื่องแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยลดทิฐิเงื่อนไขที่เราสร้างกันไว้เองวางกันไว้เองเนี่ยในการให้คะแนนกับตัวเรากับคนในสังคม ให้คะแนนกับตัวเราบางทีมองไม่เห็นว่าตัวเองเนี่เป็นใครอ้างอิงบารมี <c oughs> บารมีของบรรพบุรุษแต่เจออะไรที่ไหนเนี่ยคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครคือคือคือคุ ณ, ค ณ, ค ณ, คณต้องมีตัวตนสิคุณรู้ไหมว่าผมเป็นลูกใคร ดีนบ่อยใช่มเจ้าหญงลูกอุมร์อับดุลขุตานีพานิไม่เลี้ยงเลย عبد ุลลาฮ์อับดุอุมร์อับดุลขุตานีมีมีธุรกิจเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะ ก็ดีในคนที่เลี้ยงแพะเนี่ยก็พาไปเลี้ยงแพะในพื้นที่กว้างกว้างนะมีหญ้าที่ไหนก็กินนะเพราก็ด้วยมันมีพื้นที่หนึ่งที่รับอิสลามสมัยอัลลอเนี่ยเขาเขากักบริเวณไว้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นให้มาให้มานี่ก็เป็นกักบริเวณห่วงห้ามไม่ให้ปศุสัตว์ของคนอื่นเนี่ยมา <c oughs> มาเลี้ยงที่นี่นี่เพราะมันเป็นพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์สกัด เป็นของสกาดนี่นะก็ต้องห่วงหา้งามเมื่อกดว่าไอ้คนที่เลี้ยงแพะของ อ, อ, อ, อับดุลอดมีย้อนมัรนลูกชายของอมอรรดกตอนนี้เขาพาแพะนี่มากินไม่ได้มากินในพื้นที่หว่ห ว, งหวงห่วงห้ามนะไปกิน ร, บรอบๆอบ่ะยังไม่ยังไม่เข้าอ่ะยังไม่ถึงอะ่ะยังไม่ถึงแล้วก็มีคนไปเร่งงานไปร่งงานอับดุลอดมรรดกตอนนี้เขาเรียกลูก ว่ามัขัตตอนรับลูกด้วยคาว่าอีฮียาบด u อีฮียอีหนี่อเป็นสำนวนในภาษาอับนอีฮีน่โอ้ยโอโหตัวเองเนี่ยบนีของของเขาอีฮีของเราโอ้ยเจ้านี่นึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกชายขอลีฟ้าใช่ไหมนึกจะทาอะไรก็ได้ใช่ไหม เน็ตว่าจะบังอาจเอาแพรของตัวเองเนี่ยมาเลี้ยงรอบๆรอบๆพื้นที่ห่วงห้ามของสกาดนี่มันเป็นความบังอาจของตัวเองเนี่ยต้องเอาส่วนหนึ่งของแพะเนี่ยเอาส่วนหนึ่งแพรเนี่ยยกให้เบตุนมาสานี่เจอเจอพ่อแบบนี้เนี่ยอับดุลลอห์นี่ก็คงไม่คิดหรอกที่จะเจอปัญหาประเด็นที่ไหนเนี่ยนะรู้ไหมฉันเป็นลูกใคร ไม่คิดเลยพอรู้ว่าถ้าถ้าพ่อแบบนี้เนี่ยแล้วก็พ่อรู้นะ่ะน้องเสร็จนะ่ะเสร็จแน่อ น, นี้คือเงื่อนไขที่คนในสังคมเนี่ยได้ตั้งไว้เป็นมาตรฐานยกสถานะของตัวเองพอ่อพ่อเป็นใครปู่ย่าตาเป็นใครเนี่แสดงว่าเขาจะสูงส่งตามเขาหรือเขามีคุณสมบัติอะไรด้านด้นยึดดันทรัพย์สิสน หน้าตาชื่อเสียงอะไรสักอย่างในสังคมแต่พวบวูดในกุรานมันมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่องคุนนสผานอวตารให้ความสาคัญและได้ให้ส่วนหนึ่งของคุณสมบัติที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันเป็นมาตรฐานคุณค่าที่อยู่ในตัวเรา ที่ไม่ต้องอาศัยอะไรจากคนอื่นเือเรานี่จะเป็นคนที่สร้างมูลค่ากับสิ่งเหล่านี้ทุกคนแต่ละคนน่ะคุณค่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยน้ำมือด้วยผลงานของตัวเราเองซึ่งเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญเช่นการมองเห็น ดวงตาของเราเนี้ยการได้ยินใครที่มีมือถือกรุณาปิดนิดนึงการได้ยินหูและปัญญาปัญญาในคุรานี่ก็จะใช้เป็นหัวใจหรือสมองทั้งสองอย่างเนี้ยก็หมายถึงว่าปัญญานี่แหละสติปัญญาเรื่องนี้ เรื่องนี้ซื้อที่ไหนไม่ได้หาที่ไหนไม่ได้มันมันเกิดมาเราเรามีสิ่งเหล่านั้นและสิ่งเหล่านั้นนะ่ะที่จะทำให้ถ้าเราใช้ถูกที่ถูกทางเนี่ยมันจะทำให้เราได้มีคุณสมบัติมีคุณค่ามีมีความหมายชีวิตของเราเนี่จะมีความหมายตามเป้าประสงค์ที่อัลลอฮฺ س ب ح า ن ه และก็ุณา ต้องการจากพวกเราเพราะกฏว่าร่างกายของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีสมอย่างเนี่ยและในหลายอายะในกุฎอ่านนี่ก็จะพูดถึงเรื่องนี้เราได้พูดถึงการสร้างมนุษย์เนี่ยแต่สิ่งที่ a า l a h จะโฟกัสจับจ้องไปเนี่ยทำให้พวกเจ้านี่ได้มีสมองได้มีหูได้ยิน و ا อัปาร์กไดมิตะ والأف ดะนี yani, ami, ่ค um ือหัวใจและมือหัวใจถ้าคนใช้สามอย่างนี้ไม่เป็นก็จะขาดคุณสมบัติขาดคุณสมบัติสําคัญของผู้ศรัทธาแม้กระทั่งความศรัทธานี่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว แต่หูตาหัวใจนี่มันยังถูกใช้ผิดที่ผิดทางไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยความศรัทธามันก็จะบ่นทนไปด้วยตามความอ่อนแอหรือความไร้ประสิทธิภาพของสามสิ่งเหล่านี้ก็คือตาหูแล้วหัวใจลองคิดดูสิหูหูตาและหัวใจ ที่มีคุณค่าที่เราต้องการนี่คือหูที่เราใช้ฟังฟังสิ่งที่มีเหตุมีผลจะได้ช่วยให้เรารู้จักทางนั้นตาจะได้ดูจะได้เห็นมองเห็นสัญญาณและหลักฐานที่ทำให้เราเนี่ยตระหนักในสัจธรรม หัวใจหรือสมองนี่ก็ใช้ไตรตรองพิจารณา <c oughs> เหตุผลต่างๆจะได้เพิ่มพูนความศรัทธาลองคิดดูสิสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญะนะเราก็ต้องมาดูตาที่เราฉันมีเนี่ยฉันใช้ทําอะไรหูที่ฉันมีเนี่ยฉันใช้ทําอะไรหัวใจที่ฉันมีจะทำอะไร ค่านิยมคานิยมของมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยไม่ได้ถูกมองว่าเป็นอวัยวะที่ควรเอามาใช้รู้จักทางนำศัจธรรมเพิ่มพูนอ ي มานให้ให้มากขึ้นตาตีเกินไปไหม เดาไปสัญญกรรมให้มันดูดูเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นนี่การ์ตูนญี่ปุ่นนี่คือการ์ตูนคนจะออกแบบเนี่ยใบหน้าของการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยตานี่ยห้าสิบเ็ลยทั้งนั้นนี่คนญี่ปุ่นนี่จะดูตานี่ประมาณหปอร์ซ็หรือสิบซแต่ตานี่ต้องตรงอย่างนี้เลยเนี่ยเอาตาแบบนี้เลยค่านิยมของ คนเกาหลีนี่พอมันดังแล้วนี่คนบราซิลนี่นะครับตาโตอย่างเงี้ยไม่ชอบไปทำสัญยกรรมเนะี่ยให้ตาตีเหมือนคนเกาหลีพบเป็นคานยุ่เขามองว่าตานี่มีเรื่องนี้ที่น่าจะเจาะจงใส่ใจสัญยกรรมปรับปรุงให้เกิดความพอใจในรูปทรงของของอวัยวะมองแค่นี้คือคือแย่มากเลย เส้นเดียวกันในเรื่องอวัยวะต่าง ๆ, ๆที่เรามีเนี่ยทั้งหลายเนี่ยถ้าคนเขาคิดจริงพิจารณาจริงๆนะเรื่องสัญยกรรมเรื่องอะไรนี่มันไม่ใช่ไม่ต้องมีหลักฐานมาห้ามหรอกในแค่คิดแบบคิดแบบง่ายๆเนี่ยจะหมู่ไม่ไดีมี่า้จะได้มาทำสัญยกรรมให้มันต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ทำแล้วทำอีก สังนิกรรมแล้วสังนิกรรมอีกปรากฏว่าสังนิกรรมในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ซ้อต้องไปสังนิกรรมที่แหล่งนู่นต้องไปอุโมงค์เกาหลีนู่นไปทำฮ ا د ีที่เกาหลีแล้วก็มันจะได้มามาเมาม า, มาพูดกับเพื่อนไปทําจ ม, มูกที่ไหนอ๋อไปทําที่เกาหลีเหมือนเราเนี่ยบอกไปทําอุโมงค์นะ่ยไปทำอรโไปมา ก, กัา้งไงแล้วก็ไปทําอุโมงค์เขมร น, นี่ก็คงไม่ใช่ มันจะได้ซ้อนี่นะต้องไปสัญญากรรมที่เกาหลีคิดดูสิสังคมทั้งหดเนี่ยค่านิยมงบประมาณที่ทุ่มเทไปในเรื่องแบบนี้ปรับตรงนี้สัญญกรรมตรงนูน่นแก่ตรงนี้แล้วก็ปัญญาละ่ะทางนำมาสัจธรรมคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในสายตาของพระเจ้านี่พระเจ้าจะไม่มองนะว่าจะบุกโดง่งไม่โดง่งแก้มมันอะไรนะั้นเป็นแบบนูน้นแบบนี้ฝีปากมันยังงู้นอย่างนี้ ยิ่งถ้าคิดในปัจญาลึกเนี่ยของของคำสั่งสอนเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามนุษย์เกิดมายัางไงเนี่ยนี่คือนี่คือผลงานของพระเจ้าความสวยงามนี่มันเป็นค่านิยมที่เกิดจากความชอบของมนุษย์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดและไม่มีขีดจำกัดมันจะไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนน่ะ ไม่รู้จะไปจะไปสวยขนาดไหนอ่ะบางคนดิที่เห็นความสวยงามความที่ถึงขนาดที่สักตัวทั้งตัวเลยไม่หน้ากษ็สักหมดสักหมดเลยสักทั้งตัวเลยเขามองว่า น, นี้ยสวยของเขาอ่ะสวยของเขาไงแต่ถ้าเรามองว่าสวยในสายตาของอําน ล, ล่ะมกาจะจุบคนหนึ่งเป็นพิการ ขาเป๋หน่อยเนี่ยเดินนเดินเดินนะถ้าไม่ถ้าไม่ดีเลยเดินเนี่ยก็ต้องกระเพกกระเพกอเดินเพราะขาเนี่ยเดินในขาจะชนกันพิการเขาก็พยายามจะปิดบังความเป็นพิการขาที่ไม่ปกติเนี่ยปิดบังเอาเอาผ้าจนกระทั่งเสื้อหรือโต๊ะเนี่ยที่เขาใส่เนี่ยลากอ่ะลากอซึ่งสุนนหทนี่ไม่ไม่ควรเป็นแบบนั้นไงแต่เขาเห็นว่า การที่จะปิดความไม่ปกติเนี่ยจะทำให้คนไม่ต้องมาสงสารเขารักษาศักดิ์ศรีเขาดีกว่าจะรักษาเรื่องสุนนะนบีมาปรับในฮะดสเ่บอรดมัมเบยฮกนบีมาปรับทัศนคติแบบนี้เนี่ยนู่นีพันสี่รอปีนะยะฮะดะองไคนนี้ันนี้มันนี่มันนี่ยิรฟะซบ โตบเนี้ยขึ้นขึ้นหน่อยขึ้นให้มันแบบว่าใส่ปกติเหมือนคนทั่วไปนี่แหละแสอินّ ك ُ ل ลّ خ <c oughs> <f air> َ ل ق ا ل ลَّ ه ِ حسن ุโครงสร้างที่อัลลอสร้างไว้ทุกโครงสร้างเนียย่อมสวยงามความสวยงามเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนที่ให้คะแนนนะว่าความสวยงามต้องแบบนี้้งาง การลงผิดกับชาวโลกทั้งหมดเนี่ยจัดงานประกวดนางงามทำไมอ๋อมันมีมาตรฐานความสวยงามคนทั่วโลกเนี่ยก็อ๋อถ้าจะงามนี่ก็ต้องสเปกนี้ใช่มั้ยแล้วก็ไอ้ไอขี้เลคนอื่นนอ่ขิ้เล่ยคนอื่นนี่นะ่ะงามซอยอะไรนุ่นนางงามงา ม, งามจักระวานนะฮะอันนี้นางงามซอยนางงามนุ่นอะ ริมถนนงี้นใช่ไหมกำลังจะสร้างมาตรฐานดูถูกชาวโลกทั้งหมดเนี่ยงี้นใช่ไหมก็นี่ไงเราเองอะเป็นคนสร้างมาตรฐานบัตรสมแบบนี้แต่สําหรับผู้ศรัทธานี่ไม่ใช่มาตรฐานนี่นี่มหตรฐามนุษย์เนี่ยย่อมไม่มีค่าเลยพออีกยุคนึงก็จะเปลี่ยนนี่เริ่มเปลี่ยนกันละมาตรฐานตัก่อนนู่นนะ นางงามนี่ต้องอย่างงู้นต้องมีอะไรลักษณะร่างกายเซน่าต้องเดี๋ยวนี้นะเขาก็บอกไม่ใช่ต้องแต่มาประกวดนี่ต้องมีปัญญาด้วยนะต้องฉลาดด้วยนะต้องมีความเมตตาต้องหูเริ่มเริ่มเฮ้เริ่มเปลี่ยนละเริ่มมีมีมีสมองนิดหนึ่งเกิดขึ้นมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเรื่อยสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนก <c oughs> ็คือมาตรฐานของพระเจ้า เราจะต้องค้นหามาตรฐานของพระเจา้านี่มันอยู่ตรงไหนอะอะไรอะที่เราจะถือว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเจาะจงต้องโฟกัสต้องให้ความสําคัญวันนี้มีอยู่สองอายะห์สองสามอายะห์เนี่ยถ้าได้อธิบายหมดเนี่ยก็อาจจะได้คําตอบตรงนี้ระดับหนึ่งในอายะห์สี่อ็ที่ผ่านไปแล้วนี่นะครับอัลลอฮ์บอกกับท่านละวิสสุลลัลลอฮฺก็อัลเลาะสซัลลัมให้ไปบอก ชาวม <at> ุสลิมที่ปฏิเสธศรัธาไม่ยอมรับในคุรานเนี่ยเอาว่าถ้าพวกถ้าบอกเจ้านี่ปฏิเสธนีไม่เอาแล้วนะสุดสุดท้ายไม่ยอมเอาแล้วก็ก็ต่างคนต่างอยู่แล้วกันที่เราสรุปไอ้นี้ทีแล้วต่างคนต่างอยู่ฉันก็มีการงานของฉันพวกเจ้าก็มีงานของพวกเจ้าแล้วก็ดีนุก็มวิเลดีฉันก็ไม่เกี่ยวข้องไม่รับผิดชอบการงานของพวกเจ้าพวกเจ้าก็ไม่รับผิดชอบการงานของพวกเราถ้าไม่อ่ะ ต่งคนต่างอยู่ทำไมอไม่ได้หมายถึงว่าช่งหัวเขาไปเลยเขาจะอยู่กนอย่างนั้นไม่ไม่การที่ปล่อยให้ต่างคนต่างอยู่เนี่ยผู้นัดีรู้ว่าส่วนมากพวกเขาเนี่ยมีสติมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสติและใช้สติ และการใช้สติเนี่ยคือจุดเริ่มต้นในการรู้จักศาสรมและเข้าใจศาสรมถัดจากนี้นี่ก็เลยสกิดหัวใจของคนนี้ไม่ยอมศรัทธาไม่ยอมรับในอกุรอานโอมินฮุหมะยิสต์มิยูนาอิเลิกอะฟานตะตุสมิยูซุมมะวะโลคาลูละยากลู ومنهم ينظر إليك فأنت تهدي العُمّي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس ا ن ف س ه م يظلمون منهم م و พวกเ ما يستمعون إليك مي ผู้ฟังผู้ฟังนี่ก็หมายถึงการอ่านคุร์ร์อ่านการกพูดจาของท่านนบีเนี่ยเาฟังอยู่ ฟังการพูดของเจ้าคําพูดของท่านนาบีแม้ว่าจะเป็นกุรอานหรือเป็นหะดีสิเขาต้องอยู่แต่เพระกอบด้วยการฟังเนี่ยของพวกเขาเนี่ยมันไร้ผลที่เขาไม่ยอมรับไม่ปฏิเสธพิธไม่ยอมรับและปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธกุรอานเนี่ยเนื่องจากว่าเขาฟังแล้วก็ไม่พิจารณา ฟังอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไม่เอาเนื้อหาที่ฟังไว้เนี่ยมามามามาไตรตรองซะอัฟานตะตุสมีอุซมมวะลูกานุเลียกลุนเต้าจะให้คุนหูนวกได้ยินกระนั้นหรือและถึงแม้ว่าพวกเขาหูนวกแต่ก็ไม่ใช่ปัญญาเป็นการเปรียบเทียบ ว่าคนที่ฟังท่านนาบีอ่านกุรานจะไม่ศรัทธาก็เปรียบเสมือนคนหูหนวกคนเขาพูดนั่นนะแต่เขาไม่ได้ยินเป็นการเปรียบเทียบหรือการประหนึ่งที่น่าทึ่งนะแต่มันชี้ถึงจุดจุดบอดของของประเด็นนะ่ะเอา้าก็คนฟังกัานนาบีฟังเขาได้ยินนะได้ยินนบีอ่านกุรานได้ยินนบีอ่านฮะดีสนะ เขาฟังอยู่แต่ทำไม่ไปเปรียบเทียบกับคนนี่ไม่ได้หูหนวกนี่ไม่ได้ินเลยเปรียบเทียบได้ไงอ่ะเปรียบเทียบในเรื่องในเรื่องปัญญาคนที่ฟังได้ยินเสียงเนี่ยฟังแต่ไม่ไตรตรองนะไม่มีความหมายสําหรับเสียงที่ได้ยินมานี่เปรียบเสมือนคนพูดเนี่ยแล้วก็คนหูหนวกเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลย มีความหมายมีเนื้อหาเหมือนกันเสียงสําหรับคนหูนหนวกเนี่ยสำคัญเช็คเช่นความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเนื้อหาเสียงที่เราได้ยินมาถ้าเรามื่แต่ฟังเสียงอย่างเดียวนี่ฟังกุฎาอย่างเดียวฟังบรรยายอย่างเดียวแต่ไม่เอามาไตรตรองไม่เอามาพิจารณาไม่เอามาพัฒนาชีวิตนี่นะ มันก็เหมือนคนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเลยเอา้าเขาได้ยินนะไม่ได้ยินแต่มันไม่มีความหมายก็อย่างที่เราเห็นว่าคนหูหนวกนี่เขาก็มีหูนะแต่เขาไม่ได้ยินไอัลลอฮฺใช้คำว่าเรา كانوا لا يعقلون คนหูหนวกได้ยิน เจ้าจะให้คนหูหนวกได้ยินกระนั้นหรือและถึงแม้พวกเขาหูหนวกแต่ก็ไม่ใช้ปัญญามีหูแต่ไม่ใช้ปัญญาก็เพราะเสียงที่เราหมายถึงว่าได้ยินเสียงเนี่ยพวกเขาฟังฟังการกา ร, การอ่านของเราของเจ้าเนี่ยเสียงที่เขาได้ยินเนี่ย ไม่ได้หมายถึงว่าเสียงที่มันเป็นคลื่นเสียงนะไม่ทียร์ลพูดถึงการได้ยินนี่หมายถึงว่าการเข้าใจเนื้อหาการเข้าใจเนื้อหานั่นแหคือเราพูดกับคนอื่นเนี่ยได้ยินไหมได้ยินเนี่ยมายถึงว่าได้ยินได้ยดินแล้วเข้าใจไหมอันนี้พูดแบบสุภาพไง ได้ได hey, ้ยินไหมที่ผมพูดเนี่ยได้ยินไหมดีด้เนี่ยการฟังจึงเป็นศิลปะวิชาบริหารปัจจุบันเนี่ยเน้นในเรื่องนี้ฝ่ายบริหารเก่งนี่คือฝ่ายบริหารที่ฟังมากกว่าพูดและฟังนี่ยคำว่าฟังเนี่ยในในยะนี่ก็ไม่ที่หมายถึงว่าฟังใช้หูฟังเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่ารับรู้รับรู้รับรู้ เรื่องการได้ยินเนี่ยจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญของมนุษย์ในการรับรู้ความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับสัจธรรมถึงขนะที่อุลมะได้บอกว่าแล้วถ้าคนหูนหนวกละ่ะจะถือว่าเป็นอุปสรรคไหมในการหูนหนวกจริงหไมรว่าไม่ดีอะไรเลย เป็นอุปสรรคไหมในการรับรู้สัจธรรมทศนะอุลามาส่วนมากเลยนะข้อมอ่าคนหูหนวกเนี่ยถ้าสมมตินะเกิดมาไม่ได้เป็นมุสลิมไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาและเป็นคนหูหนวกวันเกียรมานี่จะไม่ถูกตัดสินว่าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาทันที จะถูกแบ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาพลาดโอกาสในการรับรู้ความจริงและศาสนา4กลุ่มนะครับในฮะดีบันทึกโดยอิมามอิสฮะคินิราหไว้เชืคอัลบานีบอกว่าเป็นฮะดีสสาหี4กลุ่ม4คนคนหนึ่งหุนหัวอีกคนหนึ่งอัลุลฟัตรอฮนี่คือ ที่อยู่ในยุคไม่มีนบีเกิดมานี่นบีก่อนนี้เพิ่งเสียชีวิตไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ศาสรรนาที่คืออะไรตายก่อนที่นบออีและเนี่ยที่ทัศนอุลามาบางท่านบอกว่าแล้วก็พ่อแม่ท่านนาบีเสียชีวิตเป็นมุสลิมหรือเป็นกาเฟ่ทัศน์ที่มีน้ำหนัก มากกว่านี้ไม่สามารถบอกว่าเป็นมุสลิมหรือเป็นกาเฟ่พระเขาเสียชีวิตก่อนที่นบีจะเป็นนบีและตอนนี้มีชีวิตเนี่ยศาสนาอื่นๆนี้ก็ไม่รับอย่างสมบูรณ์จึงถูกเรียกว่าอหลลุลฟัตรออีกศาสนาหนึ่งบอกว่าพ่อแม่นบีเนี่ยเป็นมุสลิมซึ่งเป็นศาสนาที่อ่อนที่สุดอีกศาสนาหนึ่งบอกว่า พ่อแม่เสียชีวิตเป็นกาเฟตแล้วเขาอ้างตัวบทหลักฐานบางอย่างนี่ที่อุลามาบางท่านเนี่ยเขาก็ตีความอันนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่าวันเกียร์มาเนี่ไม่ใช่ว่าคนตายเป็นกาเฟตเลยแสดงว่าวันเกียร์มาจะฟื้นคืนชีพเป็นกาเฟตโดยปริยายเนะี่ยไม่ใช่เราจะพิจารณาว่าตอนอยู่ในโลกนี้เนี่ยเขาได้โอกาสเต็มที่ในการที่จะรับรู้สัจธรรมใช้ปัญญาในการไตรตรองสัจธรรมหรือไม่ ฉะนั้นมีกลุ่มนี้หนึ่งคนเสียสติคนบ้าสองอานุลฟัตรอคนที่เสียชีวิตในช่วงระหว่างสองดับี้สามคนหูหนวกในฮะดีสน่ะละซ้มคนหูหนวกในบางสำนวนหะดีสเนี่ยเขาจะทูลอัลลอฮ์ในวันเกียร์มากว่าอัลลอฮ์จะลงโทษข้าพเจ้าเด้งไงขณะที่อิสลามมาหนี่ข้าพระเจา้านี่ฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลย ยิงถ้าเป็นตาบอดแล้วก็หูนหนวกในี้ยิ่งแล้วเลยนะแต่ในหันที่สอแค่หูนหนวกนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลวันเกีย ม, มาที่จะรับการผ่อนปรนแล้วก็กลุ่มที่สี่นี่ก็คือกลุ่มที่มาได้ได้รับรู้อิสลามแต่ช่วงชารภาพคือความรู้เนี่ย ความเข้าใจและสติปัญญาไม่ไม่สมบูรณ์ละสี่กลุ่มนี้อัลลอฮฺจะเรียกมาลายกามาแล้วก็พาวพวกนี้พาพวกนี้เราจะสั่งกันนะนี่มาลายกาคนนี้เนี่ยจะพาไปไหนเนี่ยฟังเถอะนะมาลายกานี่ก็จะพาไปนรกไปเข้านารกแล้ว่านี่พระเจ้าสั่งให้เข้านารกถ้าเขาเชื่อฟังนะอัลลอฮฺก็จะตัด ส, สินว่าเขาเป็นผู้ศรัทธาแต่เขาไม่ ไม่ยอมรับปฏิเสธนะก็จะถูกตัดสินว่าเป็นผู้ปฏิเสธก็หมายรวมว่าคนหูหนวกที่เขาไม่มีช่องทางในการรับรู้ที่สมบูรณ์ Allah จะให้อภัยได้ถึงขณะที่ Allah ได้เปรียบเทียบนะไอ้คนนี้ไม่ใช่หูหนวกเนี่ยได้ยินทั้งทีเนี่ยฟังรู้เรื่องทุกอย่างนะแต่ไม่ไม่ใจตองไม่เอามา ม า, มาใช้สติพิจารณามีแค่ามนเหมือ น, มนคนหูหนวกเลยคือคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เอาเราจะเอาโทษเอาเราจะเอาโทษนี้เพราะอะไรเพราะโอกาสในการที่จะรับรู้เนี่ยมีแต่เขาไม่ใช้ได้ยินมาแล้วแต่ไม่ใช้การการได้ยินเนี่ยไม่ใช้ให้มันอยู่ในตามถูกที่ถูกทาง นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องที่ผมได้เริ่นกับพี่น้องช่วงแรกของบรรยายเนี่ยในตัวเรามีคุณสมบัติอะไรบางอย่างอยู่ในตัวเราแล้วมันจะสร้างคุณค่ากับตัวเรา <c oughs> เช่นหูเช่นการได้ยินการฟังการได้ยินเรื่องดีๆที่จะเพิ่มคุณค่าในตัวเราเนี่ย มันไม่สิ่งที่อยู่ในตัวเราเราจะฟังเพลงเราจะฟังคอนเสิร์ตเราจะฟังจะฟังอะไรก็ตามโดยนึกว่าไอ้เนื้อหาเนี่ยที่มันจะทําให้เราหูตาสว่างมากขึ้นมีมีคุณค่ามูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะมันอยู่ที่เราละการที่เราจะเลือกฟังอะไรได้ยินอะไรนี่มันก็อยู่ที่อยู่ที่ตัวเรานี่แหละ เช่นเดียวกันการมองอเมนุมมันยันดูอิเลิกอาฟอันเดะเดฮ์ลูมยาวะเลูกาโนเลวซูรุนินหมู่พวกเขาก็มีผู้มองไปยังเจ้าเจ้าจะชี้แนะทางหมายหมาถึงว่ามองเจ้าตอนที่เจ้าชี้แนะด้วยสภาพวิถีชีวิตของท่านนบีที่น่าทึ่งทุกเรื่อง มองเห็นท่านนบีมารยาทมียังไงท่านนบีไอบาดาทำไมบาดาอย่างไงท่าทีของท่านนบีในเวลาพูดมารยาทนี่มันทําให้ชาวมักกะเนี่ยทึ่งทึ่งในสภาพของท่านนบีก่อนที่จะเป็นนบีด้วยซ้ำก่อนที่จะเป็นนบีเขาบอกว่าชาวมักกะนี่แปลกเหลือเกินก่อนที่จะเป็นนบีนะหาคน เป็นสุดยอดของชาวมักกะที่สามารถชี้ขาดเรื่องที่เรื่องที่เขาขัดแย้งกันเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากน้ำร่วมที่มักกะมักกะนี่เป็นแ อ, ง, แองกะแองกกระทะเลยนะฝนตกทีนึงโง่น้ำนี่มันมาจากทุกสารทิศนี่มันมาเทานี่ถ้าเราไปดูในเน็ตเนี่ยจะมีภาพกาบ้าเนี่นถึงครึ่งกาบา้าเลย ย้อนผมเนี่คุณพ่อผมเนี่ยเคยตอนเรียนอยู่ที่มกักกานี่ยเเคยเคยไหายน้ำในหน้ากาบ้านทีน้ําท่วมฝนตกทีนึงอะนะตอก่อนโน้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำระบบระบายน้ําอย่างดีนะขอให้ฝนตกสามชั่วโมงน้ําก็ไม่ท่วมแม่แต่แม่แต่นิ้วเดียวผมอตังกันแนละ้วแต่อันนี้ต้องอย่างเขาทําเขาทําดีนะเขาทําดี ผมเคยไปดูนี่ทอ่อท่อน้ำน้าเสียที่มันที่เขาขุดทำไวน้นี่รถหกล้อนี่วิ่งได้ท่อน้ำเสียนี่ไตมักกะนี่รถหกล้อนี่วิ่งได้ปรากฏว่าน้ำท่วมนี่กาบ้านี่พังสมัยนูนนะกูรชก่อนที่น บ, บีมุฮัมมัดจะเป็นขาเสนิทานว่าอายุน บ, บีตอนนั้นนะประมาณสามสิบ นบีได้เริ่มเทศนาได้เป็นนบีเ น, น, นี่ยอายุเท่าไหร่40กะบ้าในพระเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ที่สุดเลยใหญ่สําหรับข้ามสมุทรระดับทั้งหมดเลยแต่จะใหญ่ที่สุดสำหรับชาวมักกะชาวกุเรชเนี่ยเพราะเป็นเป็นเจ้าภาพเนี่ยเป็นเป็นเจ้าเมืองเป็นคนที่ดูแลกะบ้าเนี่ยตายตายทำยังไงดีประชุมคือต้องสร้างคือเขาไม่ได้เครียดเรื่องว่าจะตังเขาเยอะอ่ะ ชาวกูดิชเนี่ยเป็นพราค้าทั้งนั้นนะ่ะคิดดูสิคนดูวาชาวกูดิชคนหนึ่งอ่ะสามารถเลี้ยงหุ่นย่าที่มากันเป็นพันคนในเลี้ยงคนเดียวเขารวยแต่เขารู้แก่ใจนี่ว่าถ้าจะมาสร้างการบ้าเนี่ยตังเยอะที่เรามีเนี่มันใช้ไม่ได้ทั้งหมดทําไมอ่ะทั้งดอกเบี้ยทั้งไปสโสเพณียมเขาเขาเป็นจำเป็นเจ้าพ่อพวกนี้ทั้งหมดไง เขาก็ประชุมกันทําได้ไงว่มตินิวาระแรกกันอันนี้ต้องสร้างแน่นอนแต่สร้างยังไงอ่ะมติวาระที่สอง่ะก็คือต้องเอาเงินบริสุทธิ์อย่างเดียวใครมีเงินเลอะเทอะเงินอะไรสกปรกเงินอยาเอามาวางกองนี้นะพราคุณว่าสร้างแต่ว่าไม่พอดูดีคนด้วยขนาดเศรษฐีทังนั้นนะชาวกรีซนี่ไม่พอพราะเอาเงินบริสุทธิ์อย่างเดียว เงินสะอาดอย่างนี้ขนาดเขายังไม่ได้เป็นมุสลิมนะเขายังขนาดที่เขาแบบว่าชีวิตเขาวิถีชีวิตเขาเนี่ยมีอะไรที่มันเลอะเทอะมาแต่เขาก็รู้เนี่ยอันนี้บ้านของอัลลอฮ์ไงบ้านอัลลอฮ์นี่การว่าเขารู้บ้านของอัลลอฮ์นี่เราจะถ้าเราจะเอาอะไรไม่ดีเนี่ยโดยอัลลอฮ์แช่งเราเนี่ยอยู่ไม่ได้เงินไม่พอทำไงก็ยังก็สร้างไปส่วนหนึ่งแต่ก่อนนั้นน่ยมันเป็นสี่เรียมยาวหน่อยเนี่ยเราก็สร้างส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งทํารั้วเตีย่ยเตีย่ย สันสัอันนั้นที่ดีขวารกกันอัลฮัติมเราเจริญคันมุกม์อิสมาอิลฮิจริอิสมาอิลอ้างว่ามีมีในประวัติศาสตร์ข้อมูลว่านบีอิสมาถูกฝังที่นั่นแต่อันนี้ไม่ไม่จริงไม่ไม่มีหลักฐานยืนยันแต่ทางประวัติศาสตร์ชื่อที่เขาใช้กันคืออัลฮัติมรัวเนี่ยที่เราตอนต่ว่เนี่ยต่ว่าฟร้อรัวใช่ไหมไม่ได้ตอบว่ในรัวนะ แต่วารอบขางนอกรั้วเนี่ยไอ้รั้วนี่นะนี่แหละเขาเรียกการอัลฮะติมฮะติมแปลว่าอะไรแปลว่าส่วนพังฮะต่อมาเรฮักพังส่วนที่มันพังแล้วก็ไม่มีงบพอที่จะมาสร้างขึ้นนี่นะก็เลยสร้างแค่รั้วให้รู้นี่วะตรงนี้กาบ้านนะขนาดไหนอะแต่พอสร้างกันมันไม่ช่ประเด็นไม่ดีหรอกประเด็นอยูตอนสร้างอันนะหินดำเนี่ซึ่งหินดำตัวก่อนโน้นเป็นก้อนเป็นก้อนประมาณเนี้ยก่อน เบกว่าเท่ากับเล็กกว่าเล็กกว่าไข่นกกระจบเทศนิดประมาณนี้หินหินดนําเป็นหินที่มาจากส่วนสวรรค์นะพอมันพังแล้วอะนะสร้างขึ้นมาก็ต้องมาวางในที่เดิมหินดำนี่คือตะกาบ้านี่คือสุดยอดของอาคารของบรรดาข่ายทั้งหลายหินหินดานี่คือสุดยอดของกาบะ ฉะนั้นการสร้างกาบ้านนี่คนรวยนี่ก็มาช่วยกันแบกหินช่วยเอาทัา้งหมดทำกันเองอะ่ะช่วยเพราะเขาถือว่าเป็นเกียรติมนะากเนี่ยเรียกว่าในชีวิตของเขาเนี่ยได้มีโอกาสสร้างกาบ้าด้วยมือทีนี้พอมาถึงช่วงวางหินดำเนี่ยทุกกบี่แลนี่ทุกเผ่าทุกตระกูลเนี่ยบอกว่ากูางเองกูยกเองกูตั้งเองเพราะนี่คือจักรลึกในประวัติศาสตร์เไง ใครที่เป็นคนจับหินดำแล้วก็มาวางที่เนี่ยโอ้โหนียันเกียร์มัดจะเป็นถูกใจรึกว่าคนนี้นะ่ะทะเลาะกันนะ่ยฉันเนี่ยต้องระกูลฉันอีทุกต้องตระกูลฉันเนี่ยชักดาบกันกัน <c oughs> ็นสัตว์กาบ้านเนี่ยคุยไม่เรื่องชักดาบกั น, นจะฆ่ากันแล้วเออเดียวกันเดียวก่อนเีนเนเอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยประตูมักกะเนี่ยทางเข้าของมักกะเนี่ย คนแรกที่เข้ามานี่นะเราเนี่ยลงมติเอกฉันกันใครใครที่เข้ามาท่านคนแรกกันนะยอมที่จะให้เขาเป็นคนตัดสินคนที่เข้ามาคือท่านน บ, บีมุฮัมมัดยอมที่จะเข้าไปก่อนที่จะเป็นน บ, บีนีย่ยอมแล้วให้ท่านน บ, บีเนี่ยเป็นผู้ตัดสินเข้ามาน บ, บีให้ข้อนีน้น่ะยังไงบอกว่าพวกคุณทุกคนเนี่ยจะได้มีสิทธิ์ที่จะถือ กาบาเนี่ยขึ้นมาที่ตำแหน่งเอาผ้าปูผืนหนึ่งแล้วก็พวกคนเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยก็จับก้อนหินนี่มาวางแล้วก็ถือผ้าเนี่ยถือกันหมดทุกคนเนี่ยจับคนละส่วนคนละชิ้นนี่นะแล้วก็ยกแล้วท่านนาบีเป็นคนเอาแล้วก็คราวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ไม่ไม่ขัดข้องอะไรเลยนะนบีก็เอาก้อนหินดำเนีม่มาวางที่ คือกำลังจะบอกว่าก่อนที่นบีจะเป็นนบีเนี่ยเขาก็มองมองนบีมูฮัมหมัดดูอยู่นบีเนี่เป็นอะไรไคือถ้าหากว่าคนที่เข้าคนแรกแต่เป็นคนที่เมาของมักกาเนี่ยเขาจะยอมเหรอเขาจะยอมอ่ะถ้าว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ า, า, าไม่มีปัญญาไม่มีประวัติใครยอมรับในสติปัญญาของเขาเขาจะยอมอ่ะ เขาบอเข้าแล้วเนี่ยเขอยอมกันหมดเลยไม่มีใครเออะไรสักสักอย่างเลถูกยอมรับะน บ, บีเทศนาแล้วไอ้ที่เทศนาแล้วนี่ที่เขาบอกว่าน บ, บีมุฮัมมัดเนี่ยมาเผยแพร่อิสลามทาให้มกเนี่ยแตยกแยกกันไม่มีชิ้นดีเลยพ่อทะเลาะกับลูกผัวทะเลาะกับเมียเพราะเรื่องอิสลามนี่นบีนสัง่งเขาน้านที่เขา กล่าวหาน บ, บีว่าสร้างความแตกแยกกันนะแต่เวลาคนเขาจะเดินทางไปต่างถิ่นเนี่ยแล้วก็มีทรัพย์สินกลัวว่าจะหายไม่มีตู้เซฟที่จะไปฝากกับใครนี่นอกจากน บ, บีมุฮัมมัดเฮ้ยนีมุฮัมมัดนี่เป็นเป็นคนที่สร้างความแตกแยกคือเป็นคนในสายตาเขานี่เป็นคนไม่ดีอะ่ะแต่ฉัน ไม่ไว้ใจเพราะอักษรทุณอมินคนที่พูดจริงคนที่มีอามานะมีความรับผิดชอบไม่ไว้ใจใครในมัคการนี้ทั้งหมดนี่นะบางทีเนี่ยศาสนาเดียวกันเนี่ยแต่คนละศาสนานบิบบูฮามันนี่คนละศาสนาแต่ไว้ใจท่านนะบีบบูฮามินดูมันอย่างดูอะไรเขาก็มองอย่างเจ้าเขาก็มองไปยังเจ้ามองนี่หมายถึงว่าได้รับโอกาสแล้วที่จะ มีหลักฐานยืนยันในความสัต์จริงของเจ้าเขามองแลวเขาได้ข้อยุติแล้วสรุปกับตัวเองแล้วว่านบีพูดจริงแล้วเขาบอกว่าอาหรับเนี่ยเวลาเขาจะพูดถึงใครในว่าซอเด็กเนี่ยซอเด็กคนพูดจริงนะนะเขาจะไม่ให้ฉายาและ้ะเธอให้ใครก็ได้นะคือเขาต้องตรวจสอบว่าเขาไม่เคยโกหกเลย ไอ้คนเรานี่นะแต่สังคมมนุษย์ทั่วไปอะนะเฮ้ยเชื่อกูดิผมพูดจริงคือเรารู้กรนะจะก็พูดจริงไแต่ไม่สิหมายถึงว่าพูดจริงเสมอ <laughs> ไม่มาตรฐานเวลาเขาจะให้ฉายากับใครเนี่ยว่าเป็นคนสักจริงอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเขาตรวถูกตรวจสอบอย่างละเอียด ซอเดี๋ยวพูดจริงเขาไม่เขาไม่เคยโกหกเลยเขามองแล้วพิสู์แล้วหมายถึงว่าได้มีโอกาสที่จะรับทางนำจากพฤติกรรมของท่านนาบีที่มองเห็นโดยที่ยังไม่มีกุราอ่านมาฟังไม่มีหลักฐานคำสั่งสอนให้ดีนนะแค่มองท่านนาบีเนี่ยเต่วลมาได้บอกว่า สภาพชีวิตของท่านนาบีก่อนเป็นนบีนะมันเป็นหนึ่งโมดิซัดอีกหนึ่งโมดิซัตมหสัสจั์อย่างหนึ่งอภินิหารอย่างหนึ่งที่จูงใจผู้คนทั้งหลายเนี่ยให้ศรัทธาในท่านนาบีซอ ล, ลลอฮฺในโซเรลมหลังจากทีเ่เป็นนบีแล้วเอามาเปรียบเทียบถึงมีบางคนเนี่ยรับอิสลามเนี่เพราะอะไรเขาบอกว่าอยู่กันมาสีสิบปีเนี่ยเราเชื่อเขาทุกอย่าง พอเราพิสูจน์แล้วเนี่ว่าเขาไม่เคยโกหกไม่เคยทําอะไรเชื่อเขาทุกอย่างที่แล้วเขาพูดอะไรเราก็เชื่อหมดเลยนะที่เขาจะมาอ้างว่าเขามีพระเจ้าบอกเขาให้มาแจ้งแบบนี้แบบนี้เราจะไม่เชื่อเขาได้ยังไงเพราะเราเนี่ไว้ใจว่าเขาเนี่ยคงไม่โกหกและทีจะมาโกหกเนี่ยจะมาโกหกต่อ Allah อล่ะ คือมันเป really. ็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ไงตามตะกะทั่วไปเองเป็นไปไม่ได้ว่ามันนี่กลัวที่จะโกหกเรื่องมนุษย์เนี่ยกลัวที่จะไม่เคยโกหกเลยอ๋อมาถึนเรื่องของพระเจ้านี่จะมากล้าโกหกเหรอมันเป็นไปได้ไงเป็นไปไม่ได้โดยที่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีหลักฐานจากกุศอ่านมายีเนียนในเรื่องนี้เนี่ยแค่เปรียบเทียบระหว่างสภาพของท่านนบีก่อนเป็นนบีแล้วก่อหลังเป็นนบีแล้วเนี่ย จึงจะรู้ได้ว่าว่ า, วาคำพูดของท่านนาบีต้องต้องมีความสัตจริงแน่นอนถึงแม้ว่าเขามองอยังท่านนาบีมองไปยังเจ้าเจ้าจะชี้แนะทางให้คนตาบอดระ น, น, นั้นหรือเรากำลัลงบอกว่าเขามองจริงอะ่ะมองเห็นแต่จริงอะ่ะพิจารณาได้สภาพชีวิตของเจ้านี่ ย่อมเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะทําให้เขาเนี่ยเข้าถึงศัจธรรมรู้เรื่องเข้าใจศัจธรรมแต่เขาไม่ใช่ไงจึงสามารถเปรียบเสมือนเป็นคนตาบอดเจ้าจะชี้แนะทางให้คนตาบอดคนนั้นหรือคนตาบอดนี่ก็มองไม่เห็นถ้าคนตาบอดเนี่ยเราชี้บอกว่าไปเขาก็เขาก็ไปของเขาไงใช่ไหม และถึงแม้ว่าพวกเขาตาบอดแต่ก็ไม่มีสายตาที่จะมองดูอันนี้เขาแปลตามตามคําศัพท์เลยนะละกันอลายูบซิรุนถึงแม้ว่าเขาไม่มียูบซิรุนอิบซาร์ในสายตาแต่ที่จริงเนี่ยภาษากุรานเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะใช้คําว่าอิบซารเนี่ยยูบซีรุนอิบซารเนี่ย จะใช้กับสติปัญญามากกว่าหมายถึงว่าตเโเจ้าจะชีแนะทางให้คนตาบอดกันนั่นหรือและถึงแม้ว่าพวกเขาตาบอดแต่ก็ไม่มีสติปัญญาที่จะมองดูแต่เขาใช้อิมซอรตรงนี้แต่ทางผู้แปลเนี่ยเขาตามเขาแปลตามคำศัพท์ซึ่งอายันนี้มันก็จะสอดคล้งองกับอายะก่อนหน้านี้ก็คือ เจ้าจะให้คนหูหนวกได้ยินกันนั่นหรือและถึงแม่พวกเขาหูหนวกแต่ก็ไม่ใช่ปัญญาก็หมายถึงว่าทั้งนวกแล้วก็ไม่มีปัญญาด้วยอันนี้ก็เหมือนกันทั้งตาบอดหมายถึงว่าดวงตานี่บอดแล้วหัวใจนี่ก็บอดด้วยหมายถึงว่าไม่มีปัญญาด้วยซึ่งสอดคล้องกับอีกอายันหนึ่งที่อัลได้บอกบแรที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้ตาบอด เวลากินตามันกูรูบุลเลติฟสุดดูแต่มันบอกที่หัวใจที่อยู่ในทรงอกนี่หัวใจเนี่ยสมองเขาเนี่ยมันบอดแต่ประเทศอียิปต์เนี่ยเวลามีคนตาบอดนี่แล้วก็เกิดเขาได้ได้เรียนได้ศึกษาแล้วก็ได้ได้รางวัลได้อะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็เขาจัดสมมติถ้เขาจัด จัดฉลองแจกรางวัลเนี่ยเขาก็จะแนะนําเด็กใช่อหมเด็กชายคนนี้เด็กชายคนนี้เนี่ยเขาจะให้ชื่ออย่างเงี้ยซึ่งคนสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะไม่พูดอะไรคนสมบูรณ์คูสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะเขาก็จะเดินมาเฉยๆสง่างาม่ยแต่บางทีในมีเด็กพิการนะโดยเฉพาะจะเป็นพิการทางตาเนี่ยตาบอดอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เกียรติพอเวลาคนเขาจะได้ยินชื่อเนี่ยแล้วมองเนี่ยออบ เขาจะเขาจะรู้สึกเอ๊ะด้อยกว่าเด็กคนอื่นเขาจะมีธรรมเนียมเวลาเอ่ยชื่อสมมุติคนตาบอดเด้มารับรางวัลอย่างเงี้ยแล้วคนเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นคนตาบอดก่อนที่จะให้เขามองไปดูชะเ ง, งอ้อไปดูอ่อนี่เป็นคนอนเอ่ยชื่อเขาเนี่ยเขาจะไม่เอ่ยชื่อธรรมบารสมาว่าเด็กชายอย่างเงี้ยเขาจะเด็กชายแล้วก็จะพูดายายว่า เด็กชายที่มองด้วยหัวใจมองด้วยหัวใจคนก็จะสยบแหละอันนี้มาจากกุรานไงว่าอ้อย่ามองว่าไอ้คนปกติเนี่ยก็คือคนที่มีดวงตาสวยๆแบบนี้แต่มีมีหน้ามีตาเราจะบอกว่ามีหน้ามีตาทำไมไม่พูดว่ามีหน้ามีหูเพราะตานี่มันเป็นจุดเด่น ดดเด่นในในในใบหน้าของมนุษย์เนี่ยคนนี้มีหน้ามีตาพอวาลาเห็นน่ยคนคนตาบอดเนี่ยแต่เขาจะนองว่าคนตาบอดนี่ก็ได้วกว่าคนอื่นบอว่าอย่าคิดแบบนั้นนะเพราะคนนี้เนี่ยเขามุบซูรุนเบียกลบียหีเขามองด้วยหัวใจนะไม่เหมือนพวกเราเนี่ยมองด้วยสายตาที่เราภูมิใจว่าเราว่าเราไม่ตาบอดใช่ไหมแต่เขาเนี่ยเขามีอะไรที่เด่นกว่าเราเนี่ยเขามองด้วยหัวใจแสดงว่าอวัยวะเนี่ยที่เราต้อง ต้องหันมาตรวจสอบแล้วก็ดูคุณค่าของมันเนี่ยมันตอบโจทย์ของคำว่าคนดีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนตาเราหูเราสติปัญญาของเราเนี่ยสังเกตแล้วนี่เยเราไปยกตัวอย่างสองอวัยวะหูแล ะ, ะตาแต่หูและตาทั้งทั้งสองนี่นะมันจะมีประโยชน์ในการสมทบน้าที่ของสมองของหัวใจให้มันทำงาน รเราจะหาว่ามันมันขาดคุณสมบัติที่จะช่วยสมองแต่บอดหุน ว, ก แ, น ก, แนนวกแต่ยังมีสมองสมมติว่ามีคนตาบอดมีสมองคนหุนวกแต่ยังมีสมองสมองจะช่วยได้เยอะเลยฉะนั้นทศนาอุลละอ่ะในปัจจุบันส่วนมากเขาบอกว่าคนตาบอดคนหุนวกทศนาอุลละมารุ่นก่อนนี่เนื่องจากว่า มันยังไม่มีความเจริญด้านการแพทย์และด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการด้านหูและตาเนี่ยคนตาบอดจะช่วยเขายัางไงคนหูหนวกจะช่วยยังไงแต่เดี๋ยวนี้นี่มันมีภาษาเลยภาษาคนหูหนวกภาษาคนตาบอดภาษาตาบอดเนี่ยก็ใช้สัมผัสภาษาหูหนวกนี่ก็ใช้เขรภาษาภาษาคนใบ้นะ ภาษาใช้ชีนเนี่ยมันเป็นภาษาเลยแต่ทุกคนที่หูหนวกตาบอดเนี่ยเข้าถึงภาษาเหล่านี้ไว้ไม่ใช่บางคนด่เกิดในธุรกันดาเนี่ยตาบอดแต่ไม่ไม่ไมีเข้าไม่ถึงอะเรื่องแบบนี้เกิดตาบอดได้บางทีพ่อแม่ไม่รู้ทำยังไงนี่ก็ปล่อยเขาบางทีก็ปล่อยเขาถึงไม่มีใครดูแลบางทีก็ตาย อายุน้อยอะไรเงี้ยก็มีโอลมาก็เลยบอกว่าถ้าเขาอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเรียนรู้และไม่มีอุปกรณ์ช่วยให้เขาเนี่ยใช้สติปัญญาเข้าถึงสัจธรรมเกิดเสียชีวิตเนี่ยถ้าเขาเสียชีวิตโดยที่ไม่มีโอกาสเรียนรู้สัจธรรมตายในสภาพที่เหมือนปฏิเสธสัทธาอย่างเงี้ยวันเก ม, มานี่ก็จะไม่เป็น คนกาเฟลโดยปริยายเขาจะรับการผ่อนปลนเพราะเขาไม่ได้รับโอกาสในการที่จะเข้าถึงสิทธรรมเหมือนคนทั่วไปแต่ถ้าหากว่ามีฐานะน้อยพ่อแม่มีฐานะสง่งโรงเรียนเรียนภาษาใบภาษาคนตาบอดภาษาไบเนี่ยเรียนได้เข้าถึงศึกษาได้หมดเลยเนี่ย อ, อันนี้ไม่ได้ต้องศึกษานะและถ้าหากว่าเกิดมา ไ่อ่านนู่นนี่แล้วแ็เพียนไม่ยอมรับปฏิเสธสัทธานี่ย น, นี่เนี่ไม่น่าจะรอดเพราะเขาได้เข้าถึงสัทธาชาวนรกนี่ชาวนรกนี่บอกอสติปัญญานที่เขาไม่ยอมใช้นี่แหละมีน่ปัญญานี่มีแต่ไม่ยอมใช้ถูกที่ถูกทางไปใช้ในเรื่องอื่นชาวนรกนี่จะบ่นกันนะบน่นกัน อยู่ในโลกนี้ก็บนกันบ่นรัวทําไมทําไมเราถึงเข้าในโลกไนะเหมือนชาวสวรรค์นี่เวลาเขาคุยกันคุยกันหนวทําทไมทําไมถึงเรามาเข้าสวรรค์ใช่ไหมเข้าสวรรค์ในเพราะเราดานั่งมาดังมานั่งเมาสกันคุยกันสนุกไอไอไอของที่เราในดุนยานี้เนี <c> ่ย <oughs> โอ้อวดไม่ได้แต่สวรรค์นี่เนี่ยอวดเต็มที่เลย เ้ยของดีที่เราทำเคยทามานะอยอวดได้นี่แก้แก้นี่เข้าสวรรค์นี่ยเนี่ยฉันเนี้ม่อะไรอยากจะอวดนี่ก็อบไว้ก่อนไปไปอวดที่นู่นดีกว่าชานรุบนี่เขาจะบ่นกันว่าก้าลูชานรุบเนี่ยก้าลูในสุรอัลมุลกเราคุน่านสมาว์เอาเงา ن ิลูมาคุณน่าฟีอัศ ا าบสัยถ้าเราได้ยินเนสมา เราหนักได้ล้เราใช้สตินะป่านนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่นะท้ า, าเป็นชาวนรกเอาแล้วก็บุคุณเนี่ยแต่สมมติก็บุคุณเนี่ยก็ได้ยินว่คุณเนี่ยก็มีปัญญามีสมองไม่ใช่หรอใช่แต่ไม่ใช่มีแต่ไม่ใช่มีทั้งดีเนี่มีหูดดทั้งดีมีตาทั้งดีนี่มีสมองนี่แต่ไม่ใช่ใช้ในเรื่องอะไรทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่องหาความจริงและสัจธรรมทุกเรื่องถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว ใครพาดล่ะไม่ใช้หูไม่ใช่ตาไม่ใช่สมองในการค้นหาความจริงและสัจธรรมและสุดทา้ทายเนี่ยบ้านปลานนยก็ต้องเจอชะตากรรมของตัวเองที่ทำด้วยน้ำมือของตัวเองนะเนี่ยจะกว่าปฏิเสธศรัทธาเพราะไม่ได้ใช้อวัยวะไม่ได้ใช้คุณสมบัติที่ Allah ให้มาในตัวเราเนี่ยอย่ามาโทษนะอินนัลลอฮะลาอัลิมุลนาสย ว่าแต่นั่นแน่สามผู้ทรงเยซูเรมูนแท้จริงอลลอฮนั่นจะไม่ทรงอธรรมแก่มนุษย์แต่อย่างไดอัลลอฮ์ไม่อะธรรมกันอัลลอฮ์ไม่ได้มาถึงความจริงสัตธรรมที่คนกําลังค้นหาแล้วอัลลอฮ์ปิดบังบอกว่าอย่าให้อย่าให้มันรู้อย่าให้มันรู้ความจริงหรือว่าจะมีใครนี่เจะอุปสรรคจริงๆไม่สามารถที่เขาจะรู้นี่วันเกียร์มาเนี่ยมันจะไม่เอาโทษเนี่ยคนคนบ้าเนี่ตายคนบ้าอก็ไม่เอาโทษ ตาบอดหูห่วกไม่สามารถเข้าถึงศาสธรแม่อ่อนเกยราอัล์ก็ไม่เอาโทษตายก่อนตายในี่ชารภาพแล้วก็มีคนมาแจ้งอิสลามเขาเขาไม่รู้อะไรอิสลามแล้วไม่รู้เขาก็ไม่ไม่รับเพราะสติมันยังไม่ไม่ไม่สมบูรณ์นอัลลอฮ์ก็จะไม่เอาโทษเห็นมไม่ละอิสลิมุนนะชีย์อัลลอฮ์จะไม่อาทำใครแม้แต่น้อย แต่ว่ามนุษย์ตังหาที่อธรรมต่อตัวเองตัวของพวกเขาเองนี่แหละที่ผมบอกว่าคนเราเองเนี่ยที่จะตีราคาของตัวเองแต่อยู่ที่ว่าเราจะตีราคาในตลาดไหนตลาดของมนุษย์หรือตลาดสวรรค์คำว่าตลาดสวรรค์นี่เนี่ยเป็นคำวิชาการนะ อุลามะเขาหยิบยืมมาจากตลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนรรค์จริงๆในวันศุกร์จะเป็นวันที่ผู้ศรัทธาจะพบปากกับอัลลอฮฺสุบฮานอสู้กุลเันเราจะขายตัวในตลาดของมนุษย์ยอมอุทิศทุกอย่างในชีวิตเนี่ยให้คนตีราคาเหมือนตลาดทาาไงตลาดทาาตะกอนนุ้นน่ทาดคนนี้เท่าไหร่เขาจะดูที่ไหนเนี่ย ดูที่วัยธาตุคนนี้เนี่ยหน้าตายังไงแข็งแรงไหมทำงานได้ไหมมีอาชีพไหมมีทักษะอะไรไหมเนี่ยมันก็มันก็นกนกราคาก็จะขึ้นตลาดของมนุษย์ตลาดของสวรรค์ล่ะอินนัลลอฮ์ฮะอัจตระมินะลูกมูมินีอัลลอฮ์ซแล้วมินะลูกมูมินีนะจะบ Allah, รรดาบุษบุษบุษะบุษะบุษะบุษับุษะบุษะบุษะบุษะบุษวะะบะบุษ ยอมให้มนุษย์เนี่ยตีราคาเราเนี่ยคนนี้ดีคนนี้คนนี้ใช้ได้คนนี้โอ้คนนี้เท่คนนี้อะไรตามมาตรฐานของมนุษย์หรือมาตรฐานของพระเจ้าอุลมะนี่บอกว่ า, วาแค่ใส่ใจอนะแค่แค่เพราะใส่ใจดูหลูดภาษาอังกฤษคํานึ่งหรพูดภาษาอังกฤษทั้งหมดด้วย ยุ่งเลยะใส่ใจสายตาเดียวย่อมง่ายกว่าใส่ใจสายตาคนทั่วโลกสายตาเดียวนี่คือสายตาใครอัลลอ์มันง่ายเหลือเกินแต่ถ้าฉันจะมาแครสายตามาตนุษย์ทุกคนเฮ้ดูคนนั้นเขาว่ากูดูคนนั้นดูว่าอไม่ไม่จบแต่ถ้าอัลลอ์อัลลอฮ์ว่าไงอัลล์ถ้าอย่างงี้เนี่ยอัลละ์โอเคไมถาลล พอประเทศไทย ม, มันง่ายเดียวแล้วจบจบนี่หมายถึงว่าถ้าถ้าเอามาผอพไทยน้นคนอื่นมาเรื่องรองละเรื่องเรื่องรองเรื่องนี้มันจะปรับมาตรฐานอะไรหลายอย่างในชีวิตมาตรฐานในการเลือกเพื่อนอย่าใช้สายตาอย่ายืมสายตามาตรฐานของคนอื่นมาเลือกเพื่อนของตัวเองเลือกภรรยาของตัวเองเลือกคนที่จะมา คุกคีกับตัวเองมาอยู่ในชีวิตของตัวเองใช้มาตรฐานของศาสนามาตรฐานของพระเจ้าพอได้หากว่าอัลลอฮฺสุภาอ้วดาแล้พอพระทัยทั้งสองฝ่ายนี่นะผู้ที่จะดูแลความสัมพันธ์ระหว่างเรานี่ะบุคคลเป็นสามีภรรยาเป็นเพื่อนด้วยกันเป็นคนร่วมทำงานบริษัทด้วยกันพำงานในองคอ์กรด้วยกัน ถ้ามาตรฐานเดียวของพระเจ้าเนี่ยนะอัลละฮ์จะเป็นผู้ดูแลจัดสรรจัดการทุกอย่างนี่ให้มันดีที่สุดแต่เวลาใช้มาตรฐานส่วนตัวนี่แล้วทุกวันนี้เนี่ยเวลาเขาสัมภาษณ์พนัก ง, งานเนี่ยต่อกอนู้นนะ่ความชอบของของประธานของของบอสของคนใหญ่ในองค์กรเนี่ยนะอันนั้นนะคืออันนั้นนะคือ สิ่งที่วันจะตัดสินน่ยจะเป็นพนักงานหรือเป็นพนักงานนี่นะต้องซื้อใจบิ๊กบอสเพาะเขามีอำนาจตัดสินทุกอย่างแต่ไม่ใช่องค์กรนี่เขาเขาต้องบอกว่าคนที่จะมาทำงานเนี่ยเขาต้องเขาต้องดูแลองค์กรทั้งหมดไม่ใช่ดูแลไม่ใช่แค่เฉพาะเฉพาะหัวหน้าไม่ตอบโจทย์สัมภาษณ์เนี่ยเขาจะถามว่า จะทําอะไรให้องคอ์กรไม่ใช่จะทํำอะไรไม่ใช่มเาเนอะเวลาเลือกลูกน้องมาดูลูกน้องนี่ขับรถเป็นไมลูกจะได้ขับรถให้เมียที่บ้านเอเป็นคนอะไเงี้ยนาจะได้มาช่วยเหมือนองคอ์กรบางองค์กรนะะอือไม่ได้ไม่ได้เลือกลูกน้องนี่มาเนี่ยจะได้มาช่วยองคอ์กรประเทศชาติเลือกจะมาช่วยเมีย ไปขนของจากตลาดอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยถึงมันมันตกท่ำไงมันแย่เลยทุกวันนี้นี่มันพระอะไรมองมองถึงมาตรฐานของตัวเองอย่างเดียวที่จะแสวงผลประโยชน์ให้ตัวเองอย่างเดียวถ้ามาตรฐานของของพระเจ้านี่มันจะตอบชดทุกอย่างรวมถึงเวลาขยายขยายองค์กรไว้องค์กรไม่กระทั่งสถาบันครอบครัวสองคนเนี่ยเวลาเลือกเลือกภรรยาเลือกสามีแล้วเนี่เลือกมาตรฐานของอัลลอฮ์นี่นะ ที่จะเกิดขึ้นมานี่ลูกหลานที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ ย, ยถ้าตามคันลองเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพมากกว่ามากกว่าสคนเนี่ยแม่อยากได้ผู้หญิงพ่ออยากได้ผู้ชายทะเลาะ ก, กันเรื่องเนีทะเลาะกันเรื่องฉันอยากได้ผู้หญิงฉันอยากได้ผู้ชายทะเลาะกันเรื่องถต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธาละเขารู้ในว่าเรื่องนี้นี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทะเลาะ ก, กันเพราะทั้งเพศหญิงและเพศชายเนี่ยล้วน มาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นมันเป็นมีหลายอย่างที่มันเป็นความขัดแย้งกันนะมันจะจบจบจบฉันอยากให้ลูกเรียนสถาบันนี้ดังกว่าเอ้ยตรงนี้นี่สถาบันของฉันเนี่ยเรียนนี้ดังกว่าบางทีนี่ทะนนนะมมเาททลาะกันเรื่องนี้นะแต่ก่อนนู้ผมไม่เชื่อลูกอุ่นจิงด้วยทะเลาะกันเรื่องนี้แล้วก็ยอมทุ่มนะนะถสถาบันนี้นี่ต้องต้ยต่ออีสามแสอันนี้สองแสนห้าสี่สนอะไรเงี้ยโยยอมแต่ต้องเข้านี่นะเขาจะได้ จะได้เป็นคณะเราเ네นี่ยแล้วก็เป็นคณะเขาอันนี้คณะเราเรี่ยงใช่ไหมบางคนไม่รู้เรื่องหรอกคณะเราคณะเขานี่จะได้สถาบันนี้เนี่ยเรดังไงดังไงปิสติกเกอร์สติกเกอร์ข้างหลังนี่คนจะได้รู้บ้างว่ากูเป็นใครมาจากไหนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเลาก็เรื่องเนี้ยคิดดูสิแต่ถ้าเป็นผูน้ศรัทธาเรื่องนี้เนี่ยมันคิดเป็นใขยะไปเลยนะ เรื่องที่ไม่มีค่าเลยอ่ะสำหรับผู้ศรัทธาไม่ได้หมายรวมว่าเออถ้าเป็นสถาบันดีๆเราก็จะไม่สังเกตมันก็ได้แต่มันจะไม่เป็นเหตุผลเรื่องนี้เรื่องว่าสถาบันนี้ชี่ดังดังอย่างเดียวเนี่ยพดังอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ต้องดูเรื่องอื่นที่มันเป็นเหตุเป็นผลด้วยนะครับ السلام عليكم ฮัมดุลลอฮิเบร